รักษาใจเรามีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจร่างกายเราก็ต้องรักษารักษาร่างกายร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็ต้องมีบุญจิตใจถึงจะเข้มขังถึงจะมีความสุขบางคนมีความสุขทางร่างกายแต่จิตใจไม่มีความสุขจิตใจเครียดจิตใจวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเพราะเพราะว่าไม่ได้ทำบุญ อาหารใจหิวได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะได้อยู่เรื่อยๆมันก็กลายเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นนะเพราะเราก็ใช้มันไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมกินก็กินเท่า น, นี้แหละแต่ให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอีกสองสามหลักมันก็กินเท่าเดิมอยู่เท่าเดิมแต่ใจมันกลับต้องมามาทุกข์มากขึ้นกับตัวเลข ความเปตัวเลขก็ต้องมีางานมีอะไรดูแลรักษาความรับผิดชอบต่างๆมันก็จะไปกระทบต่อร่างกายได้ความดันสูงอะไรต่างๆนี่ส่วนใหญ่นี่หมอก็บอกว่ามาจากความเครียดเครียดเพราะเรามีเรื่องมากมีสิ่งต้องคอยดูแลรักษามากหมอเขาแนะนำว่าให้ทัาใจให้ว่างให้สงบให้สบาย ก็ต้องทำบุญทำบุญแล้วก็ใจก็จะสบายรักษาศีลได้ก็ยิ่งสบายใหญ่แล้วนั่งสมาธิได้ก็ยิ่งสบายมีสามขั้นการกินยาของพระพุทธเจ้านี่มีอยู่สาขั้นด้วยกันขั้นแรกก็ทำบุญทำทานสลระทรัพย์ที่เรามีมากเกินไปนี่เอาไปทำประโยชน์ให้กับสังคมช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหนือยล้น เกไว้เฉยๆก็เราก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเวลาไปทําประโยชน์เราก็จะมีความสุขใจเห็นคนที่เขาเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือจากเราอันนี้มันพอเราให้ความสุขกับเขาความสุขนั้นก็กลับมาหาเราใจเราก็มีความสุขเราก็จะเห็นว่าความสุขนั้นมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนตัวเลขของเงินทอง มีก็ดีแต่ถ้าต้องมีแล้วต้องทุกข์กับมันก็ไม่คุ้มค่ามีแบบไม่ทุกข์ดีกว่ามีได้แต่ต้องรู้จักให้รู้จักแบ่งรู้จักทำให้ใจเรามีความสุขถ้าคิดอยากอยากจะได้อย่างเดียวอยากจะให้ตัวเลขมันเพิ่มมากขึ้นไปมันก็จะเครียดอยู่กับการหาวิธีหาช่องทางต่างๆจะทำยังไงให้มันได้มีมากขึ้น แล้วพอมันไปเจออุปสรรคเจอปัญห า, ต, าต่างๆที่กีดขวางมันก็มันก็ทุกขึ้นมามีญาติโยมคนหนึ่งเขาจะยกโรงแรมให้กับร้านสาวเขาไม่มีลูกร้านสาวไม่เอาอยากจะปฏิบัติธรรมไม่อยากจะทุกข์อือจริงๆเนี่ยพระอยู่วัทยานี่ครับ เจ้าของโรงแรมเขาเป็นคนสามีภรรยาแต่ไม่มีลูกแต่มีหลานหลานสาวเนี่ยขนาดวัยขนาดเนี้แต่หลานสาวชอบเข้าวัดชอบปฏิบัติชอบนั่งสมาธิอยากจะไปนิพพานอยากจะมีความสุขใจพอเห็นว่าต้องมามารับหน้าที่ดูแลโงงานมไม่เอาปวดหัวไม่อยากได้ คนที่เคยเห็นความสงบความสุขของใจแล้วมันจะมันจะเห็นโทษของการที่เราจะต้องไปเครียดกับเรื่องราวต่างๆแล้วของต่างๆหามาได้เดี๋ยวก็ต้องมอบให้คนลูกหลานต่อไปใช่ไหม้ามาถ้าเป็นทับตายเดี๋ยวเราเขาต้องทิ้งมนะันแล้วต้องทิ้งให้ลูกห ล, าน ล, กลานลูกหลานรับช่วงไปก็ต้องเครียดแทนเราต่อไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไป มอบให้กับลูกหลานเขาอีกต่อเลยันก็มอบความเครียดไปกันเป็นทอดๆไปแต่ไม่ปฏิเสธหรือว่ามันสบายอยู่สบายร่างกายสบายมีกินมีอยู่เหลือเฟือมันก็เป็นความสุขอย่างแต่เมื่อมันมามามาเจอความเครียดเนี่ยความสุขต่างๆที่ได้จากทางร่างกายนี้มันหายไปหมดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันดี วิธีที่จะทำให้เราไม่เครียดก็คือเราต้องอปล่อยวางอย่าหวงอย่าห่วงมากจนเกินไปคิดว่าเป็นของของชั่วกล่าวของชั่วขณะที่เรามีชีวิตอยู่มีไว้เพื่อให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายมีเหือกินหรือใช้แต่อย่าไปเครียดกับการที่จะต้องหามันให้มากๆหรือเครียดกับการที่จะต้อง รักษามันของมันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างมีได้มีเสียบ้าง <Yeah. S 1> แต่เราถ้าเรารู้จักทำใจ <Yeah. S 1> ใจเราก็จะไม่ทุกข์มาก <Yeah. S 1> การทำบุญนี่ก็เป็นวิธีทำบุญรักษาศีลทำมหากิจก็อย่าไปทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่าไปข่าสัตว์ตัดชีวิตไปข้อโกงลักทรัพย์ของผู้อื่น <c oughs> แล้วก็อย่าไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่น <c oughs> อย่าหลอกลวมกันอย่ากโกหกกันแล้วถ้าสุรายาวมาเลีเ้ยงได้ก็ดี <c oughs> ว่ดื่มมากๆมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจเดี๋ยวสุราเมาแล้วมันก็ควบคุมความคิดความรู้สึกไม่ได้ <c oughs> เวลามันพูดมันอยากจะพูดอะไรก็พูดไปอยากจะทำอะไรก็ทำไป ถ้าไปทําสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ทำให้คนอื่นเขเดือดร้อนแล้วเราก็เดือดร้อนด้วยน<ม>ี่เดีได้ยินขาวว่ามีคนนั่งรถรู้จักรถอูเบอร์ไหมอูเบร์แท็กซี่อูเบอร์ อ, อ, รองหน้าก็มีแท็กซี่แบบเป็นของเอกชนของคนที่มีรถแล้วเขาก็สมัคร เวลาใครอต้องการจะใช้รถเขาก็ไปรับไอคนนี้ไปรับคนขี่เมาขึ้นมาคนขี้เมามันก็พอขึ้นมาแล้วก็ด่าว่าคนขับแต่ะะนั่คนขับนี้กลัวก็เลยขอร้องให้มันลงพอขอร้องให้มันลงมันโกรธมันก็เลยทุบตีคนขับเพราะดีมันมีกล้องติดอยู่ในในรถมันก็เลยขึ้น youtube คนเห็นกันทั่วโลกแล้วพอ เจ้นายของไอ้คนนี้คนที่ตีขับคนขับแท็กซี่ไอคนนี้มันทำงานให้กับบริษัทแมคโดนัลทาร์โกเบลเนี่ย mm hmm. เขาก็เลยไล่มันออก mm hmm. เพราะกินเหล้าเมาแล้วก็ไปทำร้ายของคนทาร้ายผู้อื่นแล้วก็ไอ้คนขับรถแท็กซี่คันนี้มันก็เลยไปฟ้องศาลเรียกร้องค่าเสียหายเยอะหลายแสน <c oughs> <c oughs> เพการดื่มสุรายาเมาครับแล้ววันต่อมาเมื่อวานนี่ก็มาออกทีวีอออบอกร้องห่มร้องห้าไม่ใช่ผมค น, นนั้นอื่นไม่ใช่ผมผมไม่ได้เป็นคนหลักนั้นเนี่ผมไมเ่เคยคิดว่าผมจะทําอย่างนี้เลยขอความขอขอคํามาขอโทษให้คนกลับแท็กซี่อูเบมันก็บอกว่าถ้ามันไม่ได้ขึ้นทีวีมันคงจะไม่มาเสียใจขอโทษหรอ คนก็เห็นกันทั่วโลกตกงานละทางานให้กับบริษัทลาโ b e บ l ขายเหมือนกับแ c d o ดน l d เนี่ยงั้นจะดื่มชุลาก็ต้องระวังสังคมมันทุกวันนี้สังคมเขาเหมือนกับบังคับให้เราต้องดื่มดื่มแล่วบางทีก็ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้ผู้หญิงนี่ระวังเขาดื่มชุลาจะได้เมา แล้วเดี๋ยวก็จะไปปั้มโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยคือโทษที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าไม่ควรจะกระทำกันถ้าจะเดินเพื่อสังคมก็เดินเพื่อจิบสองจิบพอไม่ให้เสียมารยาทไม่ใช่ดินก็ื่อให้เป็นถ้วยๆเป็นแก้วๆความสุขอยู่ที่ใจนะความสุขอยู่ที่คำว่าพอนะ ถ้าพอนะมีไม่กี่ตังก็พอก็มีความสุขอย่างพระพุทธเจ้านี้มีสมบัติเพียงแปดชิ้นท่านก็มีความสุขคพระพุทธเจ้ามีสมบัติแปดชิ้นอะไรหนะึ่งบาทใบหนึง่งผ้าสามผืนเข็มขัดรัดเอวชิ้นหนึง่งมีดตนอันหนึง่งแล้วก็เข็มกับได้หนึ่งชุดแล้วก็ที่กล่องน้ำพระพุทธเจ้ามีแค่นี้แหละท่านไม่มีสมบัติอะไรบ้านช่องไม่มี วัดว่าไม่มีท่านก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆอยู่ที่นี่สักพักแล้วก็ไปที่นั่นต่อไปถ้าอยู่ตามต้นคนไม้หรือชาวบ้านก็เมตตาเขาก็สร้างเพิงที่พักต้อนรับท่านก็อยู่ของท่านไปแต่ใจของท่านสบายมีในสมัยพระพุทธเจ้านี่มีเศรษฐีคนหนึ่งมาบวชมีศรัทธา ม, มาบวชแล้วก็ปฏิบัติ จนได้ไปบรรลุถึงพระนิพพานพอบรรลุแล้วก็อดที่จะอุทานในใจไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอเดินไปไหนก็ว่าสุขหนอสุขหนอนั่งหรือทำอะไรก็สุขหนอสุขหนอพระที่เขาเห็นก็เลยคิดว่าหลวงพ่ อ, อ, อนี้ไม่สํารวมหรือเปล่านี่ทําไมชอบพูดว่าสุขหนอสุขหนอก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพจากก็ไปถามว่า ท่านทาไมถึงต้องร้องสุดหนอสุกเนอก็บอกว่าสมัยที่ผมเป็นพราหมะถึงมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองแต่ผมไม่มีความสุขเหมือนตอนนี้เลยครับตอนนี้ผมไม่มีภาระไม่มีความกังวลไม่ต้องห่วงใ ย, ยอะไรทั้งนั้นผมสุดหนอสุดหนาะในความความแตกต่างของความสุขใจใจยิ่งมีน้อยยิ่ง ม, มีความสุขมากยิ่งมีมากยิ่งมีทุกข์มาก เพราะยิ่งมีมากก็ต้องมีความกังวลมีความห่วงใ ย, ยมากขึ้นถ้ามีน้อยก็ไม่ต้องมีอะไรต้องมาคอยห่วงต้องกังวลนี่แหละคือความสุขใจสมัยพระพุทธการมีคนฐานะดีๆออกบวชเดยอะเป็นเจ้าชายเป็นกษัตริย์เป็นเศษเรษฐีพอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วก็เกิดความประทับใจเห็นตัวอย่างของพพุทธเจา้าเองด้วย ว่าท่านก็เป็นเจ้าชายเป็นราชโอรสท่านก็ยังมาบวชอยู่เป็นพระได้แล้วก็มีความสุขเขาก็อิจฉาอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้ากันก็เลยขอพระพุทธเจ้ า, จาบวชกันสมัยนั้นการบวชบวชจริงๆไม่ได้บวชแบบสมัยนี้สมัยนี้บวชแบบมากี่ยวความสุขทางน่างกายมากกว่าสมัยนี้พระอยู่สุขยิ่งกว่ า, ยาโยธาโยมซะอีกเนะ อุติภะนี่มีทุกอย่างมากกว่าบญาติโยมใส่บาตรสิอย่ น, นี้ไม่ใช่เป็นวิธีของพระในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนี่พระอยู่แบบลํา บ, บากทางร่างกายพระเจ้าสอนให้อยู่ในปา่าในเขาอยู่ตามโคนไมอ้อยู่ในถ้ำไอ้แม่หลว ง, งปู่หลวงตาที่เรากราบไหว้บูชาที่อยู่แถวอีสานนี่ท่านก็อยู่แบบนั้นท่านไม่ได้อยู่สุขสบายทางร่างกาย เพราะความสุขสบายทางร่างกายมันจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใจมันจะยึดจะติดกับความสุขทางร่างกายแล้วพอมัน ม, มันไม่ได้มันก็จะทุกข์ถ้านึสอนให้อยู่แบบอดอยากทาแคลกินให้กินวันละมื้ออย่างนี้นพอและร่างกายกินเพื่อร่างกา ย, ยากินวันละมือ้อสบายไม่ต้องยุ่นไม่ต้องวุ่นวายมากแล้วให้กินตามมีตามเกิด ไปบินรบาดมาได้อะไรมาก็กินแล้วก็ไม่ให้ใส่สำลกักสำรับให้ใส่ไปในบาตรนย่เนอาหารข้าวหวานได้มาให้ใส่ไปในบาตรเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าไปในท้องมันก็ไปที่เดียวกันอยู่ดีนะไม่ต้องไปแยกใส่จานใส่ถ้วยใส่อะไรให้มันเสียเวลาความสุขกายมันไม่สำคัญเท่ากับความสุขใจถ้ายิ่งอยู่แบบง่ายๆถ้าไหลมันยิ่งสบายใจ ไม่จู้จี้จุกจิกไม่เลือกนู่นเลือกนี่กินได้ทุกอย่างอกินวันละมื้อนี่ถึงเวลากินอะไรมันกินได้หมดเพราะมันหิว่ว่ากินครั้งหนึ่งแล้วอีกยี่สิสี่ชั่วโมงค่อยกลับมากินอีกครั้งท้องมันก็ว่างมันเห็นอะไรก็อร่อยไปหมดอกินได้หมดแต่ถ้าเรากินวันละสามสี่มื้อนี่บางทีมันไม่อยากจะกินร่างกมันไม่อยากจะกินแต่อีกใจมันก็ต้องกินมันอยากจะกิน กินมันก็ต้องเลือกกินแต่ถ้ามันกินเพราะว่าร่างกายมันหิวเนี่ยมันอะไรก็กินได้แต่ละกินเพราะเราเราอยากจะกินเราก็ต้องเลือกกินแหละเมื่อเช้าที่กินไอ้นั่นเดี๋ยวกลางวันนี้ก็กินไอ้นั่นอีกไม่ได้แล้วเบื่อแล้วต้องกินอย่างอื่นก็ต้องหาที่กินหาอาหารแปลกๆใหม่ๆกินไปเนื่อยๆมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายใจโดยที่เราไม่รู้สึกตัว คนที่กินง่ายๆนี่มันสบายใจไปเยอะมีอะไรก็จัดมากินไปเลยกินให้มันจบกินเพื่อให้อยู่ท่านั้นเองให้ร่างกายมันไม่หิวเรื่องของกินมันก็มีแค่นี้นี่คือเรื่องของความสุขร่างกายกับความสุขทางใจถ้ามีความสุขทางใจแล้วไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องความสุขทางร่างกาย าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยกินไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนคนที่มีความสุขทางใจมีความอิ่มทางใจนี่ไม่บางทีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้กินอะไรก็ไม่ไม่ทุกข์เพราะว่าใจมีความสุขใจมีอาหารใจมีบุญ mm hmm. ใจมีความสงบ mm hmm. ความสงบก็เกิดจากการทําใจให้ ไม่อยากกับเรื่องราวต่างๆไม่อยากกับได้เพราะอยากแล้วมันก็จะไม่สงบต้องฝึกอยู่แบบมากน้อยสัโดุแลบประหยา ก, ย, ากยินดีตามมีตามเกิได้อะไรมาก็เอา <c oughs> อยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีทุกอย่างที่เราจะต้องเจอมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งได้มีทั้งเสียถ้าเราทำใจได้เราจะไม่ทุกข์กับการ พบกับเรื่องราวต่างๆถ้าเราจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเอาแต่ดีอย่างเดียวเอาแต่สุขอย่างเดียวพอเราต้องเสียเวลาที่เราต้องทุกข์เนี่ยเราจะทุกข์มากเอาน่าถ้าอยากจะมีความสุขใจก็ลองทำตามที่พระเจ้าสอนดูทำทานนะทำบุญไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอ่าแล้วก็รักษาศีลอย่าไปทำร้ายผู้อื่นอย่าไปทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แล้วมีเวลาก็ฝึกนั่งสมาธิกันสวดมนต์ไปพุทโธไปํามใจให้หยุดคิดใจหยุดคิดแล้วใจจะสุขมีความสุขมีความสบายแล้วถ้าใช้ใช้ปัญญาได้ก็ฝึกคิดไปว่าเราอยู่ในเโลกของความไม่แน่นอนเราอยู่ในโลกที่ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างรักวันหนึ่งก็จะต้องหมดไปเราว่าเรามาตัวเปล่ า, เ, ลาเราเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องไปเราเอาอะไรไปไม่ได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกวันมันจะคอยมันค่อยจะลบความหลงของเราเพราะบางทีเราลืมไปเราคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเราก็าเลยต้องพยายามหาอะไรไว้เรื่อยๆพอไปตรวจเลือดไปหาหมอเข้าหมอบอกอ่ะเลือดสูงนะน้ำตาลสูงนะไขมันสูงนะมัต้องมันเหมือนจะมีเครื่องเตือนใจแล้วนะ เรารู้ไว้ก่อนเราคิดไว้ก่อนล่วงหน้านะพอมันเกิดขึ้นเราก็จะทำใจได้ใจเราก็ยอมรับรับแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจนะขอให้ทำกันนะทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาฟัภาภา้นพระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วจิตใจจะมียามีอาหารหล่อเลี้ยงทําให้มีความอิ่มมีความสุขมีความพอ และไม่ทุกกับเรื่องราวต่างๆนะ้นะจะให้พรนะนะยะทาวาเรวะหาปุราตาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกัรปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิดะเมวะสมิชะตุสัพเิปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิศะนิจังุทาปจายโนยตาโรธรรมาวัฏฐานติ อายุวันโอสุขังภาลังถูเนี่รักษนะาใจบ้างนะครับผมต่อไปเราเพึ่งหน้าใจไม่ได้ต้องพึ่งใ จ, ใจแลนนะพึ่งธรรมะพึ่งบุญพึ่งกุศลครับขอให้อยู่ไปแข็งแรงไปเรื่อยๆ น, น, น, นานๆนะคนที่พึ่งของลูกลูก ลูกยังต้องอาศหา้พ่อเป็นคนชี้ทางบอกทางอย่ังไม่เก่งตอนนี้สักห้าปีสิบปีก็ผมจะเก่งนะให้ทำงานมีประสบะการณ์นี่วันที่ยี่สิบประธานาศาลฎีกามาทอดกระถิ่นที่นี่นะครับใช่ศาลเป็น<า>เป็นเจ้าภาพนำกระินพระราชทานผ้าของในหลวงมาเราปกติไม่ค่อยได้ลงกันเดี๋ยวนี้เพราะว่า ม, มันอยากจะให้พระที่เขามีอายุน้อยกว่าเขามีโอกาสได้ได้ลงเป็นหัวหน้าบ้างครับมางก็เลยนางเกษียณอายุหกสิบแล้วก็เลยหกสิบนะ ก, กว่าแล้วอะไรบอกเขาว่าไม่ลงนอกจากถ้าจาเป็นจริงๆไม่มีมีไม่ต้องไม่มีผู้ใหญ่มา <c oughs> ก็อาจจะลองให้ก็ดีมาทำดูร่วมกันครับอนะครับ อาจารย์เคยสอนเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะคะแล้วตัวธาตุลมกับอากาศสทธาคือาจารย์ลองให้ฟังเหมกันไหคะใม่เหมือนอากาศสัทธาก็คือความว่างความว่างที่เนี่ยรอบตัวเราเนี่ยก็เลยอากาศสัทธาอวากาศเนแต่ก็คือเป็นที่ที่อยู่ของดินน้ำลมไฟถ้าไม่มีเนื้อที่มันเป็นเนื้อที่เหมือนที่ว่าง ที่ว่าเราจะสร้างบ้านเราต้องมีที่ใช่ไหมเราจะมีท่าดินน้ำลมไฟได้ก็ต้องมีที่ให้มันอยู่เลแล้วตัวอากาศสระท่านี่คือเอาอากาศที่เราเห็น<อ>ดวงดาวอะไรเนี่ยในจักรวาลเนี่ยเอาอากาศสระท่าก็สูญสลายได้เลยไอตัวนี้มันไม่มีมันไม่สูญอะอมันมีของมันอยู่<อ>มันอะคล้ายๆกับท่ารู้หรอเปล่าคะท่ารูอ่าท่ารู้มันก็ไม่สูญไอท่าดินน้ําลมไฟมันก็ไม่สูนญมัน แคเปลี่ยนสภาพไปจากน้ำมันเป็นดินดินก็เป็นนมมันโตวันไปเวรมาแล้วแต่ตะกายเราที่ที่มันเปี่ยนสภาพไา้เนี่ยพวกดวงดาวต่างๆนี้เป็นก้อนดินน้าำนมไฟที่มันลอยอยู่ในอวกาศท่าท่าเนี่ยท่าท่าดูกนี้มันเป็นเปนมันอยู่มันเป็นท่าที่อยู่ในอีกมิติมันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้อยู่ในอวกาศนี่ มันมันอยู่ในโลกทิพย์อีกทีแต่มันสามารถส่งกระแสมารับรู้มามาครอบของร่งางกายของมนุษย์ของสัตว์ได้ก็คือก็คือจิตใช่ไมครับจิตถ้ารู้ท่าใจเพราะว่าพอตัวที่รู้ที่คิดเนี่ยอยู่อยู่ในโลกทิพย์ จิตตัวแท้เนี่ยบริสุทธิ์แต่ถ้ามีอวิชามาครอบคลุมก็คือเป็นกิเลสทาให้เรามาเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถกาจัดอวิชานี้ได้จิตก็จ ะ, ะไม่มาไม่หลงก็ยังไม่มาเกิดถึงแม้จะเหมือนกับน้องลอยไปที่ไหนก็จะรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ความสุขริงแท้ที่แท้จริงก็จะไม่หยอ่อนเกิดมันไม่เอามันเห็นทุก <Lag> เห็นทุกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่นก็คือนิทานที่ปฏิบัติได้ก็เพื่อ Paige หยุดความอยาก อยากมาเกิดอยากมาเกิดก็ยังอยากดูอยากฟังอยากนมกินริมน้นอยู่ถึงต้องมาถือศีลถือศีลดับปิดเทวานทั้งห้าไม่ให้ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานตามความอยากถ้าจะดื่มรับประทานก็ดื่มได้ตามความจำเป็นไม่เป็นไรยังดูร่างกายไปถึงเวลาก็ดื่มถึงเวลาก็รับประทานไม่เป็นไรแต่ถ้าดื่มแบบไม่มีขอบไม่มีเข อยากจะดื่มก็ดื่มกาแฟอยากจะดื่มก็ดื่มสุราอยากจะดื่มก็ดื่มอันนี้มันก็ติดจิศติดก็ต้องดื่มอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ดื่มก็ทุกก็ต้องหาวิธีกำจัดความทุกข์ด้วยการไปดื่มถ้าไม่มีร่างกายก็ไปหาร่างกายใหม่แล้วเวลาที่เราพิจารณาไปเราจะทราบได้อย่างไรว่าเวกขาเริ่มหมดกำลังลงแล้วคะพระอาจารย์เออก็ มันไม่ยอมคิดนะมันมันจะมันจะคิดไปทางกิเลสนะมันจะไปคิดทางความโลภอะอยากจะไปกินกาแฟอยากจะไปดูอ้นู่นด้วยนี่แะไม่ยอมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ยอมพิจารณาสุภาษะแล้วแสดงว่าหมดแรงแล้วกิเลสออกมาพอโลภโกรธหลงออกมามันก็มันก็ไม่อยากจะคิดทางปัญญาแถ้ามันโลภโกรธหลงหรือว่าความกังวลอันนี้มันแวบออกมานิดนึงแต่เรา พอเราลองพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายนี่มันก็อยูุตรงได้นี่ก็คือยังสามารถเจริญบัญญาได้ต่อใช่ไหมแต่ยังพิจารณาอันนี้จังทุกข์ขังหน้าตาได้พิจารณาสุภาได้ก็ยังมีอุเบกขาอยูอ่พออยากจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อื่างนั้นเรื่องนี้ไปแล้วอุเบกขาหมดละแต่ถ้าก็คือลองพิจารณาทุกเวทัทีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยค่ตะตลอดเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ เหมือนกับการจำเริญสติที่พระอาจารย์เคยเล่าไว้แล้วแต่ว่าเรามีกําลังจะพิจารณาหรือไม่มีความสามารถที่จะแยกแยะเรื่องทั้งเหตุทั้งเหตุทั้งผลดูอนิจจังเป็นหรือเปล่าดูทุกข์เป็นหรือเปล่าดูอนัตตาเป็นหรือเปล่าดูสุภาษเป็นหรือเปล่าถ้าดูไม่เป็นก็ยังต้องไปเรียนจากคนที่เขารู้ก่อนว่าดูอนิจจังให้ดูยังไงดูทุกข์ให้ดูยังไงดูอนัตตาให้ดูยังไง ดูสุภาพให้ดูอย่างไรปกติเราชอบดูสุภาพกันใช่ไหยดูหนังสือที่ว่าขายตามแผงเนี่ยมีแต่สุภาพท่านั้นเลยไรไหมดหนังสือภาพภายนต์แพชชั่นแฟชชั่บ้านเบอร์อะไรสวยงามไปหมดเนี่ยไม่มีใครเอาบ้านพังมามามาขายไม่เอาคนตายศพคนตายมาติดหน้าหนึ่งกันเลยเนยอกจากหนังสือพิมพ์ขนาดหนังสือพิมพ์ยังต้องมี มีอะไรปิดไว้อีกฮะ่ายรูปสมมายังต้องมีอะไรไปปิดมันเอีก็เพราะว่ากิเลสมันไม่ชอบมองถ้าเรามาขายไม่รับรองได้ขายไม่ออกเจ๊งเนี่ยมันต้องบังคับนี่จะบังคับจะสู้กิเลสบังคับให้มันดูได้ต้องทำใจให้สงบก่อนพาใจสงบกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงริมรหมดกาลังทุกนก ถกชกนับนับแปดอย่างนี้พอลุกขึ้นมามันก็ยังงงเงงงวอยู่นี้ก็ทัดมันใหม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเวลาที่มันยังไม่ได้นับแปดนี้มันแรงมันเยอะสู้กับมันถ้าเราเผลอปั๊บมันใส่เราทันทีดังนั้นการต้นต้นฝึกสติให้มากมากเพื่อจะบังคับใจให้สงบพอใจสงบแล้วกิเลสก็จะเบาบางลง อ่อนกำลังลงไม่ตายแต่มันอ่อนกำลังลงแล้วพอออกจากสมาธิมาก็สามารถที่จะอมองความจริงได้ศึกษาความจริงหรือว่าร่างกายนี้สวยหรือไม่สวยร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเรื่องกายนี้สุขหรือทุกข์ร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือไม่ใช่ตัวเรามันก็ศึกษาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูไปจนกว่ามันจะจาได้ตลอดเวลา ถ้าดูครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวว่ากลับมาคิดเหมือนเดิมต้องดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันรู้ว่ายัางไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่วิตกไม่กลัวกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะกลัวก็ก็ไปทําอะไรมันไม่ได้กลัวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกลัวก็กลัวก็ทุกไปเปล่าๆสู้ไม่กลัวดีกว่า ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรความแก่ความเจ็บตามตายของร่างกายมันก็เป็นของมันไปอย่างนั้นแต่เปลี่ยนที่ใจว่ากลัวหรือไม่กลัวทุกข์หรือไม่ทุกข์ของมันนะไม่ทุกข์ก็มันแสนจะสบายไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเอะแร็งมะเร็งก็มะเร็งรู้แล้วหมอไม่ต้องบอกคนที่ไม่ต้องไปหาหรอกบางคนเป็นมะเร็งก็เลือกที่จะไม่รักษาเออรเรารู้แล้วรักษาเงก็ไม่หายหาย หมันก็มันก็ยืดไปทุกไปเปล่าๆคีโมนี่ผมร่วงหมดไงเนาะอาจงอา จ, จี น, นอะไรเขาบอกโอ้โหมันมีปฏิกิริยากับยานี่ยามันแรงแต่ค น, นที่ยังอยากจะอยู่ก <c oughs> ็อยากจะเอาต่ออีกได้สักห้าปีก็เอาบางทีคนไข้ ย, ยอมแต่ญาติไม่ยอมอญาติยิ่งเป็นห่วงเออก็ไปยุ่งชีวิตของคนอื่นเขาทำไมเขาไม่เลย เนี่ยมนุษย์เราว่าอย่างงี้ยมันมันชอบให้ทุกข์กันมากๆทุกข์กันนานๆไอ้ที่ว่าเออดีแล้วไปสักทีจะได้จบทุกจบไ ป, ulous, ไปยืดไปยื้อกันอยู่เนี่ยหลวงปูชาเนี่ยญาติโยมไม่ยอมไม่ให้ท่านตายเลยเราสายโยงสายายาเอาเครื่องอะไรไปพ่วงร่างกายท่านจนหลวงตาเองมหาบัวต้องไปพูดเองว่า ไปย sí right ื erm er I, I, uh, uh, ้อให้ท่านทนทุกข์ทนมานั่นท่านทําอะไรได้เน่ยนอนอยู่งั้นนอนแล้วร่างกายมันสุกเลยร่างกายมันก็เจ็บของมันไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ออาหารไอ้อากาศที่เราป้อนเข้าไปในร่างกายนี้ไปเลี้ยงทุกข์เนี่ยเลี้ยงไข้เน่ยไม่ใช่ไปไปรักษาปล่อยให้ท่านไปเถิดจิตของท่านก็ไปไม่ได้เพราะไอ้ร่างกายมันยังไม่หยุด ทำงานมันก็ยังเตดกันอยู่ยงนีแต่ชายท่าไม่ทุกข์อ่ะนียมันก็มันก็รับรู้ความเจ็บของร่างกายแล้วมันก็คืออย่าไปรับรู้มันดีกว่าคืออย่าไปสัมผัสเนี่ยมันยังสัมผัสกันอยู่พอหลวงตาพูดท้งองเขาก็เลยเชื่อเขากลัวกันอนะ่ะไม่มีใครกล้าตัดสินใจกลัวเดี๋ยวจะบาปกลัวจะไปตกนรกกัน ก็เลยต้องให้หลวงตาไปตกนรกเขถึงแล้วจริงๆค่าถ้าตัดสินเอาเออกเองกันตอนนั้นมันก็มีผลไม่ใช่เ ห, หรอจ้อาคะอ้าวก็มันคนมันตายอยู่แล้วอะเราไปยืมมันเองอ่ะ <c oughs> เราไม่ได้ไปทําให้เขาตายเขาตายแล้วเราเพียงแต่เรายังไม่ยอมให้เขาตายอ <c oughs> เราไม่ได้ไปทําอะไรแล้ว เ, เพียงแต่ให้หยุดยุดติการการส่งเสริม ร่างกายของเขาเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเราเพียงแต่ยุติการให้อาหารให้อากาศให้อะไรให้เขาให้เขากินเองให้เขาหายใจเองแล้วเขากินได้ก็กินแล้วเขาหายใจได้ก็ปล่อยเขาหายใจไปไม่ได้เป็นการไปทำทาฆ่าเขาแต่ไม่เหมือนกับสมัยนี้คนบางคน พอแก่แล้วไม่อยากจะทนทรมานกับความแก่กับความเจ็บก็ขอให้หมอฉีดยาให้<ม>เดี๋ยวนี้เริ่มมีขอออกกฎหมายตามต่างประเทศแนะคนที่เป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรต้องทรมานอีกหกเดือนนี้ก็าบอกเขาไม่เอาแล้วเที่ยวไม่ได้กินไม่ได้เล่นไม่ได้ขอตายดีกว่าที<ม>นี้หมอก็บอกทําไม่ได้เพราะกฎหมายก็ผิดจรรยาบานของพระของหมอก็ผิด หมอมีหน้าที่รักษาชีวิตไม่ใช่มาทำลายชีวิตเขาก็เลยตาม น, นี้โรดนาลงกันตามประเทศต่างๆขอให้ออกกฎหมายอนุญาตให้หมอฉีดยาให้คนไข้าตายได้มันก็มีสองฝ่ายฝ่ายก็ฝ่ายค้านก็มีฝ่ายไม่ค้านก็มีฝ่ายสนับสนุนก็มีแล้วนินนนทรรศธรรมะนี้อันนี้ถือว่าบ า, าปไหมครับหลวงพ่อ แล้วก็ทําให้เ้าตายก็บาปสนะิถ้าปล่อยให้เขาตายไม่บาปนะแต่สังเกตดูคําว่าปล่อยกับทํามันไม่เหมือนกันปล่อยก็คือมันเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นตายสิอย่างหมาเนี่ยมันไม่สบายฝรั่งเขามักจะยิงมันทิ้งอ่ อ, อหรือไม่ยิงก็ฉีดยาให้มันตายฉีดยามันสลบให้มันตายเลยไม่ได้สลบหรอกเพราะเขาไปไปช่วยมันไม่ให้มันทรมาน ช่วยมันแบบนี้ก็ผิดอีกอแต่ช่วยแบบแม่ให้ก็าทรมานด้วยการยุติการดูแลนี่ดูรักษานี่ไม่ผิด ม, มั น, ม น, อ, ยนอยู่คนละด้านกันด้านหนึ่งช่วยแม่ทรมานด้วยการทำให้มันตาย อ, อีกด้านหนึ่งนี่ช่วยให้เขาไม่ต้องทรมานด้วยการยุติการ <c oughs> การให้ให้หยุกให้ยาให้อาหารให้อากาศเขา ถ้าด้านแบบนี้ไม่ผิดแต่ด้านแบบที่ทําให้เขาตายนี่ผิดทําตายคือเขาอยู่ดีๆแล้วเราไปฉีดยาก็ให้เขาตายไปยิงให้เขาตายเผิดแต่ถ้าเขาเขาอยู่ดีๆแล้วเราไปเอาสายยงสายยางไปใส่ให้ร่างกายเขาแล้วตอนหลังรเราคิดว่ามันไม่ดีเนี่ยถอดออกดีกว่า น, นี่ไม่ผิดหรอใช่ไหม เวาที่เราพิจารณากายคาถาอาจารย์ก็คือถ้าเกิดเราพยายามระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายสม่ําเสมอนี่ก็อยู่ในขั้นที่ซอมถ้าเกิดว่าเราจะลองลงท้องสอบนอกจากมีเหตุการณ์อื่นที่มากระทบอย่างเช่นมีคนที่เรารักหรือคนใกล้ชิดเขามีความแก่ความเจ็บความตายอออันนี้ก็เป็นข้อสอบใช่ไหมคะก <c oughs> ็ะส่วนเองก็ บทีเราเรายังไม่ทันเป็น เ, เห็นคนอื่นเป็นแล้วก็ทุกไปก่อนแนละ้วใช่ไหมถ้าเราเห็นคนอื่นเป็นแล้วเราไม่ทุ ก, ก็แสดงว่าเราก็ผ่านไปในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่มาถึงตัวเราตัวเรานี่อาจจะต้องรอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือรอเวลาไปประสบอุบัติเหตุหรือไปรอเวลาไปอยู่ที่ขับขันที่มันเสี่ยงเป็นเสียงตายเราดูซิว่าหัวใจเรา เต้นหรือไม่เต้นหอขึ้นเครื่องบินแล้วมันทำท่าว่าเอ้ตอนนี้ก้องยอนหยุดไปหนึ่งเครื่องอย่างนั้นก็ดูมันต้องมีเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายแล้วมันถึงจะดูว่าความกลัวเกิดขึ้นหรือไม่เกิดถ้ามันมีปัญญาถ้ามันเกิดแล้วมันมีปัญญามาพิจารณาฐานว่า กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายไปกลั ว, วทํำไ ม, มกลัวก็ทุกข์ไม่กลัวก็ไม่ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่อยากตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมตาย<ม>พอยอมตายโปร่งปั๊บมันก็หายทุกจิตก็เ<ม>ข้าสู่อัปปนาสบาย<ม> ป, ปล่อยวางแสดงว่าจังหวะนั้นถ้าเกิดตายจริงๆนี่ก็คือนิพพานได้เลยใช่ไหมก็อาจจะไม่นิพพานเพราะถ้ามันเกี่ยวกับเครื่องแค่ร่างกายมันก็แค่สวดามัน <c oughs> ว่ากิเลสอื่นยังไม่ได้กําจัดยังมีตัวอื่นอยู่เช <c oughs> ่นการมราคะอาวิชชาพว <c oughs> กนียังเป็นกเิเลสกิเลสที่ยังลึกเข้าไป <c oughs> มันเป็นกิเลสที่มันเหมือนผิวเป็นเป็นเหมือนเสื้อผ้านี่ยมีมีเสื้อนอกมีเสื้อในเสื้อเชิ้ตมีชั้นใน <c oughs> มันต้องถอดทีละชิ้นอ <c oughs> มันต้องก็ถอดเสื้อนอกก่อนแล้วก็ถอดเสื้อเชิ้ต เส้อใช้ก็สอดเสื้อยือดอย่างเงี้ยสอดยกทรงอะไรเงี้ยมันก็ถอดไปเรื่อยอกิเลสมันมีหลายชั้น อ, นนอะไรไหมถ้าอย่างงั้นถ้าเราลองนั่งสู้กับเวทนานี่ก็ถือเป็นการสอบอย่าง น, นก็ขั้นขั้นของโสดาเนี่ยโสดามันต้องผ่านทั้งความเจ็บทั้งความตาย ค่อยๆเพิ่มเวลาที่เรานั่งเราไม่ขยับเลยใช่มอายมันไม่ใช่อยู่ที่เวลามันอยู่ที่ว่าเราเราหยุดความกลัวความเจ็บได้หรือไแต่ความเจ็บมันก็มีตั้งแต่ถ้านั่งแค่ชั่วโมงก็เจ็บแบบหนึง่งออถ้าทนได้สองชั่วโมงก็เจ็บแบบหนึงห่งถ้ายังพอทนได้ออถ้าไปสามมันก็จะเริ่มเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆก็ถ้ า, ถ, าถ้ารู้จักวิธี รับกับความเจ็บได้มันจะเจ็บหนักเจ็บแรงเจ็บค่อยมันก็มันก็วิใช่วิธีเดียวกันวิธีก็คือต้องยอมรับว่าต้องอยู่กับมันเมื่อมันเกิดเราไปกําจัดมันไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันเราจะอยู่กับมันอย่างไม่ไม่ทุกข์ก็ต้องไม่มีความอยากให้มันไปถ้ามีความอยากให้มันไปมันก็จะทุกข์ก็มีแค่นั้น่ะอยู่ที่ความอยากตัวเดียว ความอยากเป็นตัวที่ทำให้เกิดทุกข์อยากไม่เจ็บก็ทุกข์อยากไม่แก่ก็ทุกข์อยากไม่ตายก็ทุกข์ถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายก็ไม่ทุกข์มันต้องเห็นตรงนั้นเห็นตรงนั้นแล้วมันจะทุกข์แบบไห น, นเจ็บแบบไหนมันก็เหมือนกันมันก็ยึดที่ความอยากก็อยากไปอยาก แต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆเจอความเจ็บมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ดีมันจะได้มีความมั่นใจว่าต่อให้ร่างกายมันเจ็บขนาดไหนก็อยู่กับมันได้แต่ถ้าไปเจอขั้นขั้นแรกขั้นขั้นที่ไม่รุนแรงแล้วคิดว่าอยู่กับมันได้แล้วต่อไปไปเจอของที่มันหนักกว่านี้ก็ก็ยังอาจจะไม่มั่นใจ แต่ก็ถ้าเราเคยทํากับตัวเล็กได้กับตัวใหญ่แล้วก็ต้องทํากับมันได้เพราะมันทําวิธีทําใจมันทําอันเดียวอันเดียวกันเหมันอยู่กับคนนี้ไม่ได้อยู่คนนี้ได้หรือว่าไปเจออีกคนก็อยู่เข้าได้เหมือนกะคนนี้อาจจะไม่เลวร้ายเท่าคนนั้นแต่มันก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่เขาเลวร้ายมากน้อยอยู่ที่เราทําใจอยู่กับเขาได้หรือเปล่านย วิธนนีเจริญปัญญาในขั้นนี้ก็คือนอจกจากจะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเสมอแล้วก็พิจารณาอสุภะแล้วก็คือควรจะลองเอาตัวเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ mm hmm. เช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องเป็นการการนั่งพลวิธานาจะปลอดภัยกว่าชผู้ชายเหมือนกันท่านก็นั่งหนงตาท่านนั่ง <laughs> นั่งทั้งคืนเหมือนกัน <laughs> แต่บางทีงบางคน<ช>ยังนั่งไม่ได้ก็เลยทรมานร่างกายด้วยการเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงก่อนเดินให้มันเมื่อยให้มันเจ็บแล้วก็ทนเดินไปเรื่อยๆห ร, อรือบางคนก็ทนด้วยการอดอาหารอาหารมัน ก, มนก็มันก็เจ็บทางร่างกายเหมือนกันหิวมันก็มีหลายวิธีมันบางทีอาจจะต้องใช้หลายๆวิธีเพื่อที่จะได้ทําให้ใจมันเริ่มยอมรับกับความเจ็บของทางร่างกายวันนี้เสด็ต้องมานั่ง หรือบางทีโชคดีไปเจอเป็ น, เ ป, นเป็นค่วงเป็นไข้ขึ้นมานี้มันก็ใช้อาการเจ็บไขยได้ปวดนี้เป็นตัวสู้กับเวทนาไปกันได้เองไม่กินยาลงออ้ไม่ต้องกิน <c oughs> อาสายหน้าใครธรรมโอสถไงยาวิเศษไม่ใช้ไหมซู้อไม่ได้ เรื่องแยงเมื่อกี้ที่เรืเ่องให้กินมาหลเยมือ ي, ้อเราต้องทําะไรต่อเพื่อให้มันกลั่นทีพระองคการกินน้อยนี่มันเป็นการลดความอยากาที่ะจะเป็นตัวที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบถ้ากินหลายมื้อนี่เวลานั่งสมาธินี่กันง่วงด้วยแล้วมันอยากด้วยเช่นจะนั่งตอนกลางวันเดี๋ยวใกล้เที่ยงมันก็ต้องกินละ แต่ถ้ากินเมื่อเดือนตั้งแต่เชา้านี่มันก็จบละแล้วก็นั่งได้ทั้งวันไปอันนี้ก็เป็นคือต้องลองช่วงแรกมันก็จะเป็นความอยากมันจะถึงเวลาไม่กี่วันแตก็ต้องฝื น, ง, นต ง, งต้องไงเราต้องหน้าที่การปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อทําลายความอยากต่างๆความอยากนี้เป็นตัวเป็นคู่ต่อสู้ของเรา ถ้ากินก็อย่าไปกินด้วยความอยากกินแบบกินยานะกินตามเวลาที่หมอสั่งหมอเพราะหมอของเราคือพระพุทธเจ้าท่านสั่งว่าให้กินวันละมือ้ออ่าก็เรามาหาหมอมาพบมาวันนี้มาหาใข่มาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นหมอหมอผัว ห, ห, หน้าลหลงผัวหน้าหมอผัว ห, หน้าหมอก็สั่งแล้วว่ากินมื้เดียวแล้วก็อย่าเอาทีวีเข้าวัดอย่าเอา เครื่องเสียงเข้าวัดยาเไฟฟ้าเข้าวัดยาเอาอะไรต่างๆนี่ให้อยู่แบบนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสงบอยู่กับความเงียบจะได้กําจัดความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายไปใจมันถึงจะเข้าข้างในได้ที่มันเข้าข้างในไม่ได้เพราะมันชอบออกไปข้างนอกออกไปทางตาออกไปทางหูออกไปทางจมูกนิ้นกายตั้งแต่เมื่อว่าปิดด้วยศีลไงศีล เ, เนี่ยเป็นตัวมาปิด ตาหูจะบวมขึ้นกานถึง ก, ก็สามก็คือไปนอนร่วมกันไม่ได้แล้วถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากันก็ไม่ทำกิจวัตรนี้แล้วอาหารก็เอาแค่มนึเดียวเรื่องก่อนเที่ยงแล้วบันเทิลมอหอรอบศพต่างๆก็ไม่เอาลิเกละครนำตัดโอเปร่าอะไรต่างๆก็ไม่เอาหมดคอนเสิร์ต bird bird concert บบ bird bird <laughs> ยังย่งข่าวนี้หถ้าอยู่บ้านไม่เอาทั้ง<า> น, น <ใช S 2> ั้นถามมันดูมันทำไมไม่ใช่เรื่องแล้วขาว ก, ม ก, มก็มันก็มันก็มีเรื่องทำให้ใจวุ่นได้กะจำไหมไม่ต้องไปสนใจแนหะขาวมันก็เรื่องเกิดแก่เจ็บตายท่านนั่นนะมัมีข่าวอะไรหรอข่าวคนคนนั้นตายคนนี้เจ็บ <c oughs> อย่าไปรับรู รับร้ว่จิตมันปรุงเข้างปแล้วพอไปรับรู้เฮ้ยเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เฮ้อะไรก็เกิดขึ้นกับเราอย่างงู้นอย่างนี้มันก็เดี๋ยวนั่งสมาธิไม่ได้แล้วคนที่นั่งจะนั่งสมาธิต้องพร้อมที่จะตัดทุกอย่างทรัพย์สมบัติต่างๆรามยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกลาต้องไม่ไม่ต้องการมันถ้ายังต้องการมันอยู่มันก็จะเป็นอุปสรรคนั่งแล้จะไม่สงบ เหมือนตัดต้นไม้ที่มันมีเถาวงเถาวันมีต้นไม้อื่นมันอยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยเราตัดที่ต้นมันมันไม่ล้มหรอกเพราะมันมีไม้ต้นอื่นคอยข้ามยันไว้ก่อนจะตัดต้นนี้ให้ล้มได้ต้องไปตัดต้นอื่นที่มันคอยข้ายันมันไว้ก่อนตอนที่จะทำใจสงบได้ก็ต้องตัดของที่มันคอยดึงใจให้ออกไปข้างนอกก่อนเดี๋สัมรวมตาหูจมูกเล่นกาย คุณพ่อที่เคยพามากาศพระอาจารย์นะคะท่านตอนนี้ท่านเป็นเป็นมะเร็งปอดระยะที่สามแต่ท่านก็ท่านเคยเข้าเคมองกับฉายแสงมาแล้วคอสหนึ่งแล้วพอจะไปตรวจซ้ําเพื่อจะดูว่าเหลือไหมท่านบอกท่านไม่ไปแล้วตอนแรกก็ก็ตือค่ะจำสักใจเพราะว่าเรากลัวกลัว่าระยะนี้ยังรักษาได้แต่ว่าก็คือท่านท่านก็ท่านเลือกเองนะคะว่าท่านจะไม่ไปอตอนนี้แล้วก็คุณแม่นีก็อายุมากผมก็เลยคิดว่า น่าจะดูแลกันไม่ไหวคิดว่าจะจะราออกจากงานไหนคะพาร์มาร์ถ้าเหตุเหตุผลนี้คุยแล้วเขาที่ทำงานน่าจะเข้าใจแต่ว่าจริงๆเหตุผลที่ที่สาคัญเลยก็อยากปฏิบัติธรรมเออเงีดีเราก็เราก็ดูแลประคับประคองท่านไปตามที่ตามมัตภาพร่างกายมันจะหมดกําลังมันก็ไป ดูแลไงมันก็เพียงแต่ได้ตัวเลขแค่นี้เก้าสิบร้อยร้อยยี่สิบมันก็ไปเหมือนกันแล้วอยู่มันก็ได้ละมันก็มันก็มันก็ได้ของซ้ำซ้ำซากๆเชอนเดิมเนี่ยกินก็กินของเดิมกินอยู่ทุงวันเห็นไหมดูก็ดูของเดิมมันไม่มีอะไรพิเศษพิโศถ้ามีความสุขทางใจมันก็จะไม่ไม่ยึดติดกับร่างกาย มันพร้อมที่จะผ่อนไปได้เพราะไม่ต้องใช้มันแล้วแต่ถ้ายังไม่มีความสุขทางใจมันก็ยังต้องพึ่งร่างกายต้องดูต้องฟังต้องอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายพยายามทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขทางใจแล้วพิจารณาให้เห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันต้องมีวันหมดไป เวลามันหมดนี่มันทุกข์มากเวลาไม่สบายทุกข์มากแต่ถ้ามีความสุขทางใจก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนมีความสุขตลอดเวลากับความสงบของใจ ตอนนี้เมื่อกี้มาก็มีหลายโรงแรมนะนนมพัทยามีหลายโรงแรมเขาก็เพิ่งไปเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วองกว่าเป็นไม่รู้เป็นอะไรแต่ก็พุกไปตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาบางทีคนเราก็หลงหลงกับการหาเงินหาทองหาความสุขทางร่างกาย พอมาเจอสภาพที่ทำไม่ได้มันก็จะทุกข์แต่ถ้ามีการทาบุญมีการปฏิบัติทำมันก็พอที่จะมีอะไรมาทดแทนกันได้บ้างมากหรือน้อยก็อยู่ที่กำลังของผู้ปฏิบัติเองว่าทำได้มากทำได้น้อยทำได้มากก็ทุกน้อยทำได้น้อยก็ทุกมากมีอะไรจะถามป่า ภาคบนนี้เดินขึ้นไปได้ไหมครับไม่ได้หรอกมันเป็นที่อยู่ของพระอ๋อที่ไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวสมมติถ้าจะขึ้นมาพัางนี่ขออนุญาตอาจารย์ใช่ไหมครับก็ต้องดูก่อนว่าไหวไหมไหวไหมแล้วก็รู้เรื่องการปฏิบัติหรือเปล่าครับถ้ามาแล้วมาคุยจะมาอยู่คนเดียวแล้ว เ, เ, เดียเด๋ยวเดินไปคุยคนนั้นคุยคนนี้ก็ไปรบกวนคนก็ไม่อยากจะให้มาครับ ถ้ามาก็ต้องไปอยู่ที่ของตนแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิที่ก็ไม่มีอะไรมีแค่หลังคามีที่นั่งมีที่เดินจงกรมห้องน้ำห้องท่าก็ไม่มีถ้าจะใช้ก็ลองมาใช้ที่นี่เดินไกล้หน่อยไม่ถ้าไม่ทันก็ต้องใช้แบบกวางใช้แบบเก้งอยู่ในป่าจานไม่จาไม่เห็นเรื่องนี้ต้องมีห้องน้ำห้องท่าก่อน คืนเดียวรู้สักกี่คืนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าจิตไหวแล้วเขย่อพระอาจารย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าเป็นไงถ้ามาเขาก็จะอยู่กันหลายนายคืนครับอืมแต่ก็ต้องดูดูว่าว่าพร้อมหรือเปล่าพร้อมที่จะอยู่แบบที่เขาอยู่กันหรือเปล่าอกำลังเริ่มต้นครับถามอาจารย์ไว้ก่อนอ่าอันนีมาแล้วก็ต้องดูว่าที่ว่างหรือเปล่าที่ที่เขา ตอนนี้ก็พยายามเพิ่มสร้างเพิ่มขึ้นอีกสี่สี่จุดด้วยกัน<ม>ขึ้นไปเป็นคูนเขาเลยสร้างลำบาหกหน่อพราะมันต้องแบบข้าแหวก้องขึ้นไปเมืม่อก่อนมีเป็นกุฏิเป็นหลังหลังนี่ป่าไม้เขาไม่ยอมให้สร้างกุติใหม่อ<ม>ะไรมาสร้างแค่แทนแคร่เล็กๆกระมาณเนี่ยนาะช่วงเสาเนี่ยสี่ต้นนี่ยแล้วก็มีหลังคา แล้วพอมีที่นั่งนอนได้หลบแดดหลบฝบ น, นได้แล้วข้างแค่ก็ทำทางเดินจกมกรมทำแบบถนนปูเทนดูปู เ, ปเลยยกพื้นเพราะที่นี่มันสูงๆตา่ตางๆแล้วก็ทำเป็นเหมือนสะพา น, านก็สำหรับคนที่ชาบปฏิบัติเขาก็โอเคแล้วก็ต้องการแค่นี้ยนะไม่ต้องการอะไรต้องการความสงบ อยู่ที่มันไม่มีอะไรมารบกวนใจใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคิดว่าพร้อมจะมามขออนุญาตอาจารย์ก็ลองดูดมีอะไรไหมไม่มีก็ไปได้ น, น ะ, ะมั<ช>้งเยอะ